ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระปตจานั้นได้ทรงสอนไว้ว่าหลังจากที่พวกเราตายไปแล้วเรายัางต้องไปเกิดใหม่ทางที่จะพาเราไปเกิดใหม่ก็มีอยู่สองทางทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆและทางไปสู่อาบาย ชั้นต่างๆการจะไปทางใดทางหนึ่งนั้นก็อยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันถ้าเราทำบาปไม่ทำบุญเราก็จะไปทางอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกาย ไปตกนรกถ้าเราทำบุญรักษาศีลเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆถ้าเราอยากจะไปสวรรค์สูงกว่านั้นคือไปสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องบเมมาเพ็ญสมถะภาวนา คือนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่ไม่ต้องเสื่อมมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเราต้องเจริญปัญญาทำให้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นเหตุที่ทำให้จิตใจเสื่อมเห็นเหตุที่ทำให้สวรรค์เสื่อมแลวเราจะได้ทำลายเหตุที่ทำให้สวรรค์ที่เรามีอยู่นี้เสื่อมเช่นถ้าเราได้สวรรค์ระดับชั้นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะรักษาไม่ให้เสื่อมเราก็ต้องทำลายสิ่งที่จะมาทำให้เสื่อม สิ่งที่ทำให้เสื่อมก็คือกิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราการที่จะทำลายตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นเพราะว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เป็นได้มาแล้วก็จะต้องหมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเรื่อยๆการเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะทำให้จิตเสื่อมลงมาสำหรับผู้ที่ทำทานรักษาศีลภาวนาสมถะภาวนาจิต สวรรค์ที่ได้รับนั้นจะเสื่อมตามเวลาของการได้ไปรับผลของบุญนั้นเช่นทำบุญแล้วนั่งสมาธิใจสงบเวลาตายไปใจก็ได้เป็นสวรรค์ชั้นพรหมแต่ กำลังของบุญที่ส่งไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมนั้นก็เป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์ที่เราเวลาเติมเข้าไปในรถยนต์แล้วเราขับไปไหนมาไหนน้ำมันก็จะต้องค่อยๆหมดไปพอ น, น้ำมันหมดเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันรถฉันใดบุญที่เราได้สร้างไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนั้นก็เช่นเดียวกัน พอเราได้สวรรค์ชั้นพรมเราก็ไปเกิดเป็นพรมอยู่ระยะหนึ่งพอบุญที่เราได้สร้างเพื่อส่งให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมนั้นเสื่อมหมดไปเราก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพพอบุญสวรรค์ชั้นเทพหมดไปเราก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดมนุษย์แล้วเราก็ต้องมาทำบุญกันใหม่มารักษาศีลกันใหม่มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันใหม่พอเวลาร่างกายตายไปเราก็จะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่เรายังไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้พบคำสอนที่จะสอนวิธีให้เราไม่ต้องเสื่อมจากสวรรค์ชั้นต่างๆที่เราได้สร้างไว้เราจะสามารถ พัฒนาหรือส่งให้จิตของเราให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่ไม่เสื่อมกันและไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไม่ต้องกลับมาเติมน้ำมันไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องกลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาใหม่ อันนี้เรียกว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเป็นสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไปถึงแล้วได้ท่งนำาอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถที่จะนำพาจิตใจของตน ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอรหันตัสาวกผู้ที่จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนแทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สเสด็จดับขันธ์พระปรินิพานไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้ว mm hmm. ก็มีพระอาลหลันตาสาวกที่จะมาถ่ายทอดคำสอนอั un vised, ered, นวิเศษอันเลิศอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้ที่ยังไม่สามารถ mm hmm. หรือไม่รู้ทางไปสู่พระนิพานได้พอผู้ที่ไม่ได้รู้ไม่รู้จักทางไปพระนิพาน ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ไปถึงพระนิพพานพ อ, อไปถึงพระนิพพานแล้วก็ทำหน้าที่แทนพระอารหันต์ที่มีอายุมากและล่วงลับไปพระอารหันต์แต่ละองค์จึงมาทำหน้าที่แทนกัน สืบทอดแทนกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จ ด, ดับขันธท้ า, ารณนิพานจากโลกนี้ไปก็มีพระอาหารหันต์ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันตามลำดับ แล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เช่นในยุคปัจจุบันพระอรหันต์ที่เรารู้จักกันในลำดับแรกก็คือหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็อบรมสั่งสอนคุูบาอาจารย์ต่างๆจนกุูบาอาจารย์เหล่านั้น ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเพราะว่าเวลาที่ท่านตายไปแล้วอัตติของท่านนั้นได้กลายเป็นพระธาตุกันเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้นหลวงตามหาบัวท่านเหล่านี้ก็ทำหน้าที่นำเอาเพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนทางไปสู่พระนิพพานมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราตามลำดับถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเพราะเป็นวิธีเดียวกันที่ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้เป็นพระอรหันต์กันท่านได้เป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากได้ฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับทางโลกที่ผู้ที่ต้องการจบปริญญา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทรหรือเอกก็ต้องไปศึกษาที่สถาบันที่มีการสั่งสอนวิชาความรู้ที่จะทำให้ได้รับปริญญาขั้นต่างๆเวลาไปศึกษาก็ทำตามที่สอนพอถึงเวลาสอบพอสอบได้ก็ได้รับปริญญากัน ผู้ที่จบปริญญาก็นํามาทําหน้าที่สั่งสอนต่อไปเป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษามาสั่งสอนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญากันทางโลกกับทางธรรมก็เหมือนกันต่างกันตรงที่การศึกษาทางโลกนี้จะทดสอบความจําเป็นหลัก คือจะสอนให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผู้รู้ก็จดจําไว้ให้ดีไม่ให้ลืมเวลาสอบก็ถามทดสอบความจําถามความรู้ที่ได้เรียนมาถ้าความจําดีก็จะสอบผ่านแต่าทางศาสนานี้นอกจากจะมีความจําดีแล้วยังต้องนำเอาความรู้นั้น ไปปฏิบัติด้วยถ้ายัางไม่ปฏิบัติผลก็ยังจะไม่เกิดเพียงแต่รู้เท่านั้นยังไม่พอเพียงแต่จำได้เท่านั้นยังไม่พอต้องเอาสิ่งที่รู้ที่จำได้นี้มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนกายวาจาใจของตนนี่แหละเป็นสนามสอบ ถ้าผู้ใดอยากจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านก็ดูที่ใจของตนนั้นแหละถ้าใจยังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่ผ่านผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้นั้นจะต้องกบจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยาก ทั้งสามคือกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาให้หมดไปจากจิตจากใจให้ได้ถึงจะบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้และผู้ที่จะตรวจข้อสอบได้ให้คะแนนก็คือผู้ปฏิบัติเองเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสานทิศโกที่ผู้ปฏิบัติ จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าตนนั้นได้บรรลุหรือไม่ได้บรรลุดังนั้นนอกจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติแล้ววิธีสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วท่านต่อไปก็จะต้องนำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติ ทางพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือทางโลกคือมีระดับชั้นเริ่มจากชั้นต่ำขึ้นไปสู่ชั้นสูงเช้นเริ่มจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาเพราะว่าผู้ที่เริ่มปฏิบัติ n ั้นมีความรู้ความสามารถน้อย จะขึ้นไปศึกษาในระดับชั้นสูงเลยดันย่อมเป็นไปได้ยากยกเว้นอาาัจฉริยบุคคลเท่านั้นบุคคลที่ได้เรียนรู้มามากในอดีตชาติแล้วยังมีความจำฝังอยู่ในใจอย่างพระพุทธเจ้าของวเราเป็นต้นที่มีความรู้ความสามารถมาก เวลาที่พระองค์กลับมาเกิดความรู้ความสามารถต่างๆของพระองค์นั้นก็ติดมากับพระไทยของพระองค์เวลาพระราชบิดาให้ครูอาจารย์ต่างๆมาสั่งสอนวิชาต่างๆให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาสั่งสอนในกรณีอย่างนี้นั้นท่านก็จะสามารถที่จะ ไปได้เร็วอย่างเด็กกัจริยะบางคนนี้สามารถจบระดับปริญญาได้ในเวลาใอายุสิบ2ดสิบสองขวบเพราะว่าจิตนั้นมีความรู้มีความสามารถมากมีความจำดีเคยเรียนอะไรมาในอดีตนี่จำได้เคยเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วจำได้ พอมาถึงมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องเรียนใหม่ความจำที่เรียนรู้วิชาเหล่านี้ยังฝังมีฝังอยู่ในใจจึงทำให้เขาสามารถเรียนแข่งกับคนที่มีอายุมากกว่าได้เพราะจิตของพวกเราแต่ละคนนี่พูดตามความจริงแล้วมีอายุเท่ากันคือเกณนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นเวลาจิตมาเกิดนี่จิตไม่ได้นับวันเกิดอามเวลาของร่างกายเป็นเวลาเรานับวันเกิดกันนี้เราจะนับวันเกิดของร่างกายเป็นพอครบหนึ่งปีแล้วก็ว่าเราหนึ่งขวบสองขวบสามขวบไปตามลำดับแต่จิตของเรานี่มันผ่านพบผ่านชาติมาหลายหลายล้าน หลายแสนล้านชาติแล้วจนถือว่ามีอายุเท่ากันหมดทุกคนความรู้ความสามารถของจิตแต่ละดวงที่ได้สะสมมายังมีไม่เท่ากันพอมาเกิดถึงแม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกัน แต่คนน้องอาจจะฉลาดกว่าคนพี่ก็ได้มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถมากกว่าคนพี่ก็ได้เพราะว่าความรู้ความฉลาดต่างๆนี้ไม่ได้ถ่ายทอดมาจากพ่อจากแม่แต่ถ่ายทอดมาจากจิตใจที่ได้สะสมไว้ในอดีตชาติอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ได้สะสมมามาก ท่า น, นจึงมีความรู้ความฉลาดมากความสามารถมากกว่าผู้อื่นตามหลักธรรมนั้นทรงตัดสอ่อทรงตัดว่าลูกนี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันลูกที่มีความรู้ความสามารถเท่ากับพ่อกับแม่แสดงว่าจิตของพ่อของแม่กับจิตของลูกนี้อยู่ในระดับเดียวกันมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน แล้วก็มีลูกที่มีความรู้ความสามารถน้อยกว่าพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าพ่อกับแม่เพราะว่าลูกไม่ได้เอาความรู้ความสามารถมาจากพ่อแม่ถ้าเอามาจากพ่อแม่เหมือนกับเอาร่างกายมาจากพ่อแม่ลูกทุกคนก็ต้องมีความรู้ความสามารถเท่ากับพ่อกับแม่ ความรู้ความสามารถของแต่ละคนนี้เอามาจากจิตใจเอามาจากจิตใจที่ได้สะสมความรู้ความสามารถในแต่ละภพแต่ละชาติมาถ้าในอดีตชาติเราไม่มีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ไม่สนใจที่จะสร้างความสามารถให้กับตัวเรา ปชีวิตของเราให้ไหลไปตามความอยากความโลภคือไหลไปกับการเล่นการากระทำอะไรที่ไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความสามารถขึ้นม า, เ, าเวลาเรามาเกิดเราก็จะไม่มีความรู้ความสามารถติดตัวมาแต่ผู้ที่ได้ดีตได้ใช้เวลากับการ สร้างความรู้สร้างความสามารถต่างๆขึ้นมาเวลาเขามาเกิดเขาก็จะมีความรู้ความสามารถมากกว่าเราถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันหรืออาจจะเป็นฝาแฝดเจียด้วยซ้ำไปมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ใจนี้มาจากคนละที่กัน ใจมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันนี่แหละคือเรื่องที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกันเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันก็จะบรรลุสำเร็จผลต่างกันช้าเร็วต่างกันสูงต่ำต่างกัน คนที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้ก็มีได้ทรงแยกไว้สี่ประเภทด้วยกันคือคนที่มีความรู้ความสามารถบ้างมีกิเลสตัณหาน้อยคือได้เคยชำระมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละภพแต่ละชาติได้ปฏิบัติทำมาในแต่ละภพแต่ละชาติพอมาเกิด ในชาติสุดท้ายนี้ก็สามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเรียกว่าพวกที่รู้ง่ายและรู้เร็วรู้รู้ง่ายและรู้เร็วรู้ง่ายก็คือกิเลสตัณหาน้อยปฏิบัติง่ายคือมีกิเลสตัณหาคอยต่อต้านน้อย จึงทำให้การปฏิบัติง่ายก็ได้ชารากิเลสมาตามลำดับรู้เร็วเพราะมีปัญญาที่แหลมคมได้ศึกษามาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติจเจริญปัญญาบารมีมาทุกภพทุกชาติพวกนี้จะเป็นพวกที่รู้ง่ายปฏิบัติง่ายแล้วรู้เร็วอีกพวกหนึ่งก็คือ ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าคือกิเลสตัณหานี้มีน้อยคอยขัดเกลาร่อยเรื่อยคอยละอยู่เรื่อยแต่ไม่ค่อยสนใจกับการเจริญทางปัญญาศึกษาหาความรู้ต่างๆปัญญาทึบกิเลสบาง<ม>ก็เลยทำให้ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุช้า พวกที่สามก็เป็นพวกที่ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วอพวกที่ปฏิบัติยากก็คือมีตันหามากมีกิเลสตันหามากในอดีตไม่เคยไม่ไม่คอยขัดเกลาไม่คอยลดคอยละกิเลสปล่อยให้กิเลสพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆจึงทําให้มีกิเลสหนา แต่มีความสนใจในการศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆสนใจในเรื่องของการสร้างปัญญาบารมีตรงนี้เวลามาปฏิบัติก็จะปฏิบัติยากต้องทรมานเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสให้ออกไปด้วยวิธีการที่เรียกว่าสาหัสที่เราเรียกกันว่าสุตโตต้องอดอาหารกัน ต้องถืออิริยาบถสามที่เรียกว่าเนสัจชิกถือทุดงขวัดข้อต่างๆอันนี้เพื่อเป็นการขัดเกลกิเลสตัณหาจึงทำให้รู้สึกการปฏิบัตินี่ยากต้องนั่งทั้งคืนต่อสู้กับทุกขเวทนาถึงจะสามารถที่จะขัดเกลากิเลส ได้แต่จะรู้เร็วพอสามารถทําจิตให้รวมเป็นสมาธิได้แล้วพอกิเลสยอมแพ้แล้วทีนี้ก็จะบรรลุได้เร็วจะพิจารณาธรรมจะเห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วเห็นตายรักเห็นอริยสัจจะได้อย่างง่ายดายเพราะมีปัญญาที่แหลมคมแต่มีกิเลสที่หนาทึบ ในเบื้องต้นการจะทําใจให้เข้าสู่ความสงบนี้จึงต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาอย่างมากแต่พอกิเลสตัณหาถูกกําลังของสติที่คอยควบคุมบังคับให้เข้าไปสู่ความสงบได้พอเข้าไปสู่ความสงบแล้วกําลังของกิเลสตัณหาก็หมดกําลังไป ตรงนี้ก็จะปฏิบัติยากแต่รู้เร็วส่วนพวกสุดท้ายนี้เป็นพวกที่ ป, ปฏิบัติก็ยากรู้กระชาพวกนี้คือพวกกิเลสหนาปัญญาทึบในอดีตชาติไม่เคยสนใจในเรื่องของการขัดเกลกิเลสตัณหาปล่อยให้มันพอกพูนอยากจะได้อะไรก็ทำตามความอยาก อยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดต่อต้านไม่เคยคิดที่จะขัดเกลาให้มันเบาบางแล้วก็ไม่สนใจกับการศึกษาหาวิชาความรู้ชอบเที่ยวชอบเล่นไม่สนใจกับการศึกษาความรู้ต่างๆปัญญาจึงทึกกิเลสจึงหนาพอมาปฏิบัติธรรมก็เลยต้อง ปฏิบัติอย่างยากและรู้ช้านี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้จะมีแยกไว้อยู่ประมาณสี่จำพวกดังนี้เราก็ลองพิจารณาตัวเราเองกันดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกันเราจะอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเราสู้ไม่ถอย มันก็จะได้ผลอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วยากหรือง่ายเท่านั้นเองอมีอุปสรรคเล็กน้อยอันนี้เราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันต่อพูดถึงผู้ปฏิบัติสี่ประเภทด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ถ้ามีศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะยากอย่างไรจะช้าอย่างไรก็ปฏิบัติไปไม่ถอยไม่ช้าก็เร็วก็จะบรรลุเหมือนกันพอบรรลุแล้วก็ผลก็เท่ากันเหมือนกับการเรียนจบปริญญา เช่นมาวิทยาลัยบางแห่งเขาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดปล่อยให้น right. ักศึกษาศึกษาไปตามกําล <oko> ังของตนเพราะแต่ละคนนี่อาจจะมีข้อผูกพันหรือมีภาระที่ไม่เท่ากันบางคนต้องไปทํางานด้วยเรียนหนังสือไปด้วยก็อาจจะเรียนช้าแต่เวลาจบเวลารับปริญญาเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ว่า ปริญญานี้จบกี่ปีก็ถือว่าเป็นปริญญาเท่ากันจบสามปีจบสี่ปีจบห้าปีหรือจบหกปีก็ถือว่าเป็นปริญญามีศักดิ์มีศีรเท่าเท่ากันฉะนันใดการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะบรรลุช้าหรือเร็วยากหรือง่ายพอบรรลุแล้วผลก็เท่ากัน ผลก็คือกิเลสตัณหาตายไปความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาต่างๆตายไปเหลือแต่ความสุขที่มีอยู่ในใจดังนั้นพวกเราอย่าให้อะไรต่างๆมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติของพวกเราอย่าให้ความยากลำบากของการปฏิบัติมาเป็นอุปสรรค อย่าให้ความช้าของการปฏิบัติมาเป็นอุปสรรคขอให้พวกเราพยายามทำไปตามกำลังของเราอย่าไปมองคนอื่นมองตัวเราเป็นหลักมองว่าเราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคนอื่นเขาจะปฏิบัติช้าหรือปฏิบัติเร็วจะปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยาก มันก็เป็นเรื่องของวิบากของเขาเรื่องของบุญของบาปของเขาที่เขาทำมาในอดีตเราก็มีบุญมีบาปที่เราทำมาในอดีตที่จะทำให้เราปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากปฏิบัติรู้ง่ายรู้เร็วหรือรู้ช้าแต่ขอให้เราพยายามทำความเพียรของเราไปตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่ ก็พยายามขยับเพิ่มมากขึ้นไปดูเวลาของการบําเพ็ญความเพียรว่าเราเพียรมากเพียรน้อยเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในขั้นภาวนาถ้าอยู่ในขั้นรักษาศีนก็ดูว่าเรารักษาศีลได้กี่ข้อกี่วันถ้าเรื่องของการทําทานก็ดูว่าเราแบ่งปันได้มากได้น้อยเพียงไร เราสามารถแบ่งปันได้เพิ่มขึ้นไปอีกหรือปะเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราต้องการที่จะไปทางนิพพานนี้เราจะต้องทําทานให้หมดเลยเราจะไม่ต้องการใช้เงินทองรับสมบัติเป็นที่พึ่งเป็นเหตุที่ให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินทอง นี่เป็นความสุขชั่วคราวหรือความสุขปลอมถ้าเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ปลอ ม, อมเวลาดาที่เงินหมดเวลานั้นสวรรค์ก็จะล่ ม, มแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทาบุญทาทานเราจะได้สวรรค์จริงเราจะได้ความสุขใจที่จะอยู่ติดไปกับใจ และจะส่งเสริมให้เราได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นไปต่อไปได้คือการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี้เราก็ปิดประตูของอบายได้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเวลาร่างกายตายไปใจของเรานี้ก็จะ ไปสวรรค์เนือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่ว่าเราทำบุญมากน้อยเพียงไรถ้าเรารักษาศีลเพียงอย่างเดียวแต่เราไม่ทำทานเรายังมีความหวงมีความลักในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราอยู่เวลาตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเราไม่ได้ไปทำบาป เรรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์อาบายก็ไม่สามารถที่จะดึงใจไปได้แต่สวรรค์ก็ไม่สามารถดึงใจไปได้เช่นเดียวกันพ่อไม่ได้ทําทานไม่ได้ทําบุญถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทําทานเยอะๆมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ทําไปไม่เสียได้ เพราะว่าเงินทองนี้มันก็เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเป็นประโยชน์กับเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราไม่นำเอามาทำประโยชน์ประโยชน์ก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับใจของเราก็คือการทำทานถ้าเรานาเอาไปใช้ซื้อความสุขต่างๆมันก็จะเป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหา ที่จะทำให้เรามีกิเลสตัณหาพอกพูนเพิ่มมากขึ้นไปทำให้เราในอนาคตถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติยากเพราะกิเลสตัณหาเราหนาแต่ถ้าเราหมั่นทําทานอยู่เรื่อยๆเพื่อลดละกิเลสตัณหาของเราเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติง่าย พราะเราได้ลดละกิเลสตัณหาต่างๆให้มันน้อยลงไปนี่คืออ น, นิสงส์จากการทาทานจะทำให้เรารักษาสีนง่ายคนที่ทำทานได้นี้จะรักษาสินได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำทานเพราะคนทำทานนี้จะมีความเมตตากรุณา มีความสงสารต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย <_ m akes> ์เพื่อนร่วมโลกรวมไปถึงทั้งสัตว์เลี้ยฉานจิตใจจะไม่ชอบเบียดเบียนจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น <_ m akes> ก็จะรู้ก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายเพราะการกระทําผิดศีลห้าก็คือ เป็นการเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาที่เราจะทำอะไรเวลาที่คนที่ใจบุญสุนทานจะทำอะไรจะคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอถ้าไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะไม่ทำก็จะรักษาศี่ห้าได้อย่างง่ายดาย แล้วพอรักษาศีลห้าได้ต่อไปก็จะรักษาศีลแปดได้เพราะถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นขึ้นไปสู่สวรรค์สูงกว่านั้นคือสวรรค์ชั้นพรมก็จําเป็นที่จะต้อง อ, อรักษาศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะช่วยสนับสนุนในการบําเพ็ญสมถะภาวนาส่งเสริมสนับสนุนในการ นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะว่าผู้ที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติให้มีเวลากับการนั่งสมาธิถ้ารักษาเพียงแต่ศีลห้านี้ก็ยังสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นอย่างไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นไปงานเลี้ยงไปงานอะไรต่างๆเช่นช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีการเลี้ยงฉลองต่างๆไปดูมะฮอร์สบไปดูพวกบันเทิงต่างๆเราก็จะเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ไปแทนที่จะเอาเวลาเหล่านี้มาปลีกวิเวกมาอยู่ที่สงบ อยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีแสงสีเสียงมาคอยรบกวนใจก็จะไม่สามารถทำได้แต่ถ้ารักษาศีลแปดศีลแปดนี้จะห้ามเลยห้ามไม่ให้ไปเสียเวลากับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับผู้กับสามีกับภรรยาของตนห้ามไม่ให้ไปงานเลี้ยงต่างๆ งานบันเทิงต่างๆห้ามไม่ให้เสียเวลากับการมาเสริมความงามเวลาจะเสริมความงามบันแต่ละครั้งนี่เสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อความสวยงามเพียงชั่วคราวเดี๋ยวเดียวชั่วขณะที่ออกไปเที่ยวพอกลับมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาชำระเครื่องสมางเครื่องเสริมความงามต่างๆไป เสียเวลาไปไม่มีเวลาทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติคอยควบคุมความคิดผู้ที่ต้องการเจริญสมถะภาวนาจึงมักจะเป็นผู้ที่อยู่แบบเรียบง่ายเสื้อผ้าก็แบบง่ายๆพอสวมใส่ปกปิดอวัยวะ ป้องรักษาร่างกายไม่ให้ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยหรือถูกอากาศหนาวเย็นทําให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วจําระร่างกายเพื่อให้มันสะอาดไม่ส่งกลิ่นเหม็นก็พอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องสใช้เครื่องสําอางชนิดต่างๆไม่จําเป็นที่จะต้องเสริมสวยทําผม ไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อที่วิจิตพิสดารเสื้อผ้าที่วิจิตพิสดารเพราะเป็นการเสียเวลานักปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่แบบเรียบง่ายจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจะชอบอยู่ตามลำพังชอบหาที่สงบวิเว้ไม่มีแสงสีเสียงมาคอยลบกวนใจแล้วก็คอยควบคุมความคิด ที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาด้วยการให้มีอารมณ์เป็นเครื่องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องผูกมัดใจเอาไว้เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้หรือจะใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ การกระทําเหล่านี้เป็นอุบายในการที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสตัณหาถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะสงบแล้วก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จาก การไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเคยยอมเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่จะได้ความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่จะอยู่ยั่งยืนกว่าเป็นความสุขที่เราจะสามารถผลิตได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือไม่แต่ถ้าเราใช้ตาหูจมูกวิ่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเวลาร่างกายบกพร่องพิกลพิการไปตาไม่ดีหูไม่ดีหรือร่างกายเป็นอมภพเป็นอมพาสเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ผู้ที่ หาความสุขทางใจได้ก็ยังหาได้อยู่เพราะว่าไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองใช้สติถ้ามีสติแล้วนี่สามารถที่จะผลิตความสุขคือความสงบนี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ตามหรือแม้แต่เวลาที่ร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อน นี่คือประโยชน์ที่ดีกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ความความสุขที่เราได้รับจากสมาธินี้ก็จะเป็นความสุขชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่รักษาไว้ด้วยสติมันก็จะจางหายไปได้เวลาใดที่เราเพ้อสติ ความสุขที่เราได้มานี้มันก็จางไปได้แต่ถ้าเราอยากจะรักษาแบบถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะไปกาจัดเหตุที่ทำให้ความสุขนี้เสื่อมไปเหตุที่จะทำให้ความสุขนี้เสื่อมไปก็คือตัณหาความอยากตา่างๆหรือความโลภความโกรธความหลง เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมานี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะหายไปเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความกวลกวาความกระสับกระส่ายความหงุดหงิดลำคานใจต่างๆจะตามมาเราจึงต้อง ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถึงแม้ว่าจะได้ความสุขอยากก็เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขเดียวเดียวพอหมดไปแล้วก็ต้องอยากหามาใหม่ก็ต้องเดินหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็วุ่นวายใจเดือดร้อนใจทุกข์ใจหรือเสียใจถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบเหมือนเดิม มีความสุขเหมือนเดิมอันนี้เป็นท่านของปัญญาอันนี้แหละที่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบความลับอันนี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรนี้จะรู้แต่เพียงวิธีทำใจให้สงบด้วยสติเท่านั้นพอใจสงบก็มีความสุข พอออกมาจากความสงบถ้าไม่รักษาด้วยสติความสงบนั้นก็หายไปถ้าอยากจะได้ความสงบนั้นคืนมาก็ต้องเจริญสติใหม่แต่วิธีของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีที่รักษาหนเดียวแล้วก็จะอยู่ไปได้ตลอดเลยคือทําลายตัวเหตุต้นเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบที่ทําให้ใจกระสับกระส่ายวุ่นวายใจ พอทำลายความอยากได้แล้วความวุ่นวายใจความหงุดหงิดลำคาญใจความสงบความวุ่นอะไรต่างๆของใจนี้ก็จะหายไปกลับมาเหลือแต่ความสงบแล้วก็จะสงบไปอย่างถาวรไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไปเช่นราบยศสรรเสริญสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไป สูญเสียร่างกายไปหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทำให้ความสงบนี้หายไปเลยความสงบนี้ก็ยังจะอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสงบความสุขความสงบนี้ก็ยังอยู่ต่อไป อย่างใจของพระพุทธเจ้าความสุขความสงบของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังมีอยู่ตราบจนทุกวันนี้ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านร่างกายของท่านก็กลับคืนสู่ธาตุเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟที่เป็นตัวประกอบทำให้มีร่างกายนี้ขึ้นมาพอถึงเวลาที่ ร่างกายนี้หยุดทำงานธาตุทั้งสี่ก็แยกทางกันไปส่วนที่เหลือที่เราเรียกว่ากระดูกหรือพระอัฐินี้ก็กลายเป็นพระาธาตุไปที่เรากลาพระาธาตุกันก็กลาบส่วนจริระของพระพุทธเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่แต่เป็นเพียงาธาตุไปเท่านั้นเอง ธาตุของพระพุทธเจ้ากับของบุตุชนต่างกันตรงที่ว่าเวลาตายไปแล้วธาตุของบุตุชนนี้จะเสื่อมไปหมดกลายเป็นดินไปหมดเช่นกระดูกนี้ก็จะผุเปื่อยกลายเป็นดินกลายเป็นฝุ่นไปแต่กระดูกของพระพุทธเจ้ากระดูกของพระาอารหรนันต์นี้บางส่วนจะกลายเป็นพระธาตุไปจะไม่เสื่อม จะเหลืออยู่อย่างนั้นไปเหลือเป็นพระาธาตุไปเวลาที่เราไปกราบพระเจดีย์นี้ก็เป็นการไปกราบพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะพระเจดีย์นี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองการที่เราสร้างเจดีย์แล้วประดิษฐานพระาธาตุไว้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เป็นปูชนียสถานเป็นที่ให้เราได้ไปสักการะบูชาเพื่อเราจะได้น้อมนำนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครที่จะมีพระคุณต่อสัตว์โลกอย่างพระพุทธเท่ากับพระพุทธเจ้าและการที่เราน้อมนำนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็จะทำให้เราได้เกิดศรัทธาเกิดความ รู้ขึ้นมารู้ถึงความสำคัญของพระพุทธเจ้ารู้ถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เรามีโอกาสที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานได้พอเราไปกราบพระเจดีย์เราไม่รู้ว่าพระเจดีย์มีอะไรเราก็ถาม พระเจดีย์นี้มีความสําคัญอย่างไรเราก็จะได้ยินว่าอ๋อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุคืออะไรก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามีความสําคัญตรงไหนถึงต้องมากราบบูชาก็พระพุทธเจ้าก็มีความรู้ความสามารถที่จะพาจิตใจของพวกเรานี้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พาให้เราไปสู่พระนิพพานแดนอันกเกษมสำราญที่มีแต่ประมังสุขขังได้อันนี้เป็นเหตุที่เรามีปูชนียสถานเพื่อที่จะได้เป็นที่สั่งสอนอนุชนรุ่นหลังผู้ที่มาเกิดในภายหลังจะได้มีจุดจุดประกายความรู้ของเขาจุดประกายแห่งศรัทธา พอได้กราบพระธาตุได้ศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดศรัทธาที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุผลตามมานี่คืออุบายของนักบ่า ท, ที่ให้สร้างเจดีย์ไว้เพื่อที่จะได้เป็นจุดที่จะ ดึงดูดจิตใจของคนที่ยั ง, ลงหลงไหลคนที่ยังหาทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่เจอพอเจอพระธาตุแล้วเจอพระเจดีย์แล้วก็เหมือนกับเจอต้นทางแล้วพอเจอต้นทางแล้วดำเนินไปเดี๋ยวก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันไม่มีใครอยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ที่ยังต้องกลับมาเกิดก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธียุติการกลับมาเกิดนั่นเองเพราะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วเอาคำรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจพอได้นำเอาไปปฏิบัติก็สามารถยุติการกลับมาเกิดได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพากจากสิ่งต่างๆเหมือนกับที่พวกเรากําลังต้องประจนกันในตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่แต่ครั้งนี้พบนี้เพียงครั้งเดียวจะประจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่สนใจที่จะเข้าหาพระธรรมคําสอนที่จะไม่ศึกษาอย่างแท้จริงอาเจแล้วนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ต่อให้เราเรียนรู้วิชาทางโลกจบระดับปริญญาเอกก็จะไม่สามารถที่จะยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้เราต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพียงอย่างเดียวแล้วปฏิบัติตามคําสอนเท่านั้นเราจึงจะสามารถยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราควัวจะนั่งพิจารณา ให้ดีว่าเราควรจะทําอะไรกันแน่เราต้องการกลับมาเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาดจากของที่เรารักเราชอบซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่าเราอยากจะหยุดเราอยากจะอยู่กับความที่ไม่มีความทุกข์อยู่กับบรล ม, มสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าได้อยู่กัน ถ้าเราพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องต้องมาทางที่พระพุทธเจ้าได้มาอย่างแน่นอนเพราะเป็นทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งหลายเป็นทางที่จะนาไปสู่บรมังสุขปลมังสุขขังคือความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดถึงขอฝากเรื่องของ การมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะเอาไปเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงตามลำดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสกากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะกะปะับปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนาระโสยถามณิโจติระโสยถาสพิติโยวิวาจันโตสภโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีดิจนะิจจังวุทธาปจายโนจตารุธรมมวทานติ นนาากรามนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคำถามแรกเป็นคำถามจากคุณกนกศรีวัฒนาคำถามคือเวลาทำบุญให้ทานทุกครั้งถ้ามีอารมณ์โกรธหงุดหงิดรำคาญใจนั้นจะทำให้บุญที่ได้รับจากการทำบุญให้ทานนั้น ลดน้อยลงไปหรือไม่คะคือผลที่ได้ในปัจจุบันอาจจะน้อยลงไปเพราะอารมณ์เราไม่ดีแต่ผลโดยรวมก็ยังได้เหมือนเดิมคือถ้าเราทำด้วยความาเสียสละแบ่งปันปรารถนาให้ผู้อื่นเขามีความสุขอันนั้นเราก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าความรู้สึก สุขใจในตอนนั้นถูกอารมณ์ไม่ดีามาบดบังไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผลในการทําบุญคาถามต่อไปจากท่านเดิมค่ะเมตตากรุณากับรักนั้นเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะถ้าจะแปลตามความหมายเมตตาก็แปลว่าความรักกรุณาก็แปลว่าความสงสาร ความรักในที่นี้ไม่ได้เหมือนความรักที่เราให้่อเต่ อ, อ, อหญิงชายความรักแบบนี้เรียกว่าเป็นความรักเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากคนที่เรารักแต่ความรักในที่นี้หมายถึงให้ประโยชน์กับเขาไม่หวังผลตอบแทนจากคนที่เรารักเช่นเรารักคนนี้คนนั้นเรา อยากจะให้เขามีความสุขอย่างพ่อแม่รักลูกนี่เรียกว่ารักด้วยความเมตตาเป็นรักที่มีความเมตเป็นเมตตาคือต้องการให้ลูกมีความสุขไม่ต้องการอะไรจากลูกแต่การรักระหว่างหญิงชายนี่เป็นความรักที่ต้องการเอาประโยชน์จากคนที่เรารักเราถึงรักเขาเพราะเราต้องการประโยชน์จากเขา ดันั้นความรักนี้ในความว่าเมตตานี้คือหมายความว่ารักคือเป็นการรักแบบให้โดยถ่ายเดียวให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ปรารถนาอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากความสุขใจที่เกิดจากการทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นเท่านั้นส่วนกรุณานี้แปลว่าความสงสาร คือเห็นคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราอยากจะช่วยให้เขาหายจากความตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าความกรุณาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระกรุณาต่อสัตว์โลกเพราะเห็นสัตว์โลกนี้ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จึงทรงสละพระเวลา ที่มีเหลืออยู่หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุไปแล้วมีอายุมีเวลาอยู่อีกสี่สิบห้าปีก็ทรงอุทิศเวลานี้ให้กับการสั่งสอนช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันนี่เรียกว่ามหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกคำถามต่อไปค่ะ อวิชากับโมหะสองอย่างนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะก็เป็นตัวเดียวกันเน่แต่ต่ชื่อเหมือนคนเรามีชื่อสองชื่อมีชื่อเล่นมีชื่อจริงชื่อสมศักดิ์แล้วก็มีชื่อเล่นว่าชื่อแดงจะเรียกว่าแดงก็ได้จะเรียกว่าสมศักดิ์ก็ได้จะเรียกว่าโมหะก็ได้จะเรียกว่าอวิชาก็ได้เหมือนกันเป็นความหลงเหมือนกัน คำถามต่อไปค่ะจากท่านเดิมค่ะทุกในอริยสัตว์กับทุกข์ในไตรลักษ์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเพราะได้มีคำกล่าวว่าทุกอริยสัตว์นั้นแคบกว่าทุกในไตรลักษ์หมายความว่าอย่างไรคะเป็นทุกอันเดียวกันทุกในอริยสัตว์ทุกในไตรลักษ์นี่ก็คือทุกนี่อันเดียวกันคือทุกใจ ที่ส่งแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะว่าถ้าใจเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาใจก็จะต้องทุกทุกเพราะว่าอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังอยากจะให้สิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นอัตตาพอไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยาก ก็อยู่ในอริยสัจสีสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากและถ้าอยากจะละความอยากละความทุกข์นี้ก็ต้องละความอยากการจะละความอยากก็ต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นของเราอยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดทาวรนนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นอนิจจังเขาไม่แน่าไม่นอน เขาจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเราก็จะไม่มีความอยากพอเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจดังนั้นทุกในอริยสัจสี่กับทุกในตายรักนี้เป็นทุกข์อันเดียวกันค่ะคถามต่อไปค่ะจากคุณสาธิตธรรมหิทารา ผมเส้นเลือดแตกในสมองไม่หายสักทีตายก็ไม่ตายครับจะวางใจอย่างไรดีครับก็วางว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนี้เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันตายก็ไม่ได้สั่งให้มันหายก็ไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป แล้วใจของเราจะไม่ทุกข์คำถามต่อไปค่ะจากคุณดอรวิทย์ค่ะได้ฟังเทศเกี่ยวกับเรื่องอาชุภะเป็นเรื่องที่ฟังยากไม่เข้าใจก็เปิดผ่านหลายครั้งเมื่อไม่กี่วันได้ฟังเทศนี้อีกครั้งก่อนนอนหลวงตาสอนให้แยกรูปเวทนาอย่างไร ตลอดจนสัญญาสังขารเป็นอย่างไรจากที่ง่วงจะหลับก็ตื่นหายง่วงเป็นปลิดทิ้งผมเองก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึง้งอาศัยปัญญาของหลวงตาซึ่งเป็นผู้แสดงท่านบรรยายถึงอวิชชาแยกเยอะเหมือนหมอผ่าตัดหมดไส้หมดพุงแล้วจากที่นั่งไม่ตรงใจก็ค่อยมีสตินั่งตรงขึ้น มีตัวไหวใจกระเพื่อมน้อยๆแล้วมีสติกับความรู้หรือปัญญาของท่านที่ได้แสดงมารู้สึกว่ามีความสุขอีแบบและคิดว่าดีท่านเทศดีไม่มีอะไรเหลือเราคิดไปทางไหนไม่ได้แม้แต่สัญญาก็ดีไม่มีปัญหามีสติจับความรู้พอนั่งเสร็จก็นั่งต่อสักพัก จนสมาธิอ่อนลงมาขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยว่าถูกหรือเปล่าครับก็ถูกอ่ะก็ทําไปการฟังธรรมมันก็เป็นการหล่อล้อมจิตใจให้คิดไปในทางความสงบนั่นเองคือลาพังถ้าเราคิดเองเราคิดไม่เป็นเราจะคิดไปในทางที่จะสร้างความวุ่นวายใจพอเราฟังธรรมใจเราก็ต้องน้อมคิดไปตามธรรมที่เราได้ยินใจก็เรา ก็จะไหลไปในทางธรรมทางสู่ความสงบนะพอฟังแล้วใจเราก็สงบพอเราจะนั่งสมาธิต่อเราก็จะรู้สึกว่านั่งง่ายไม่ยากไม่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้ฟังธรรมเวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมแล้วเรานั่งเลยนี่ความคิดของเรามันยังไหลไปในทางความฟุ้งซ่านความวุ่นวายอยู่มันก็จะทำให้การนั่งสมาธินี้ยาก แต่พอเราใช้การฟังธรรมเป็นผู้บุกเบิกนําพาใจของเราให้เข้าสู่ทางของความสงบพอเข้าสู่ทางของความสงบได้แล้วเราก็ใช้การเจริญสติพุทโธก็ดีเลื่อดูลมหายใจเข้าออกก็ดีก็จะสามารถที่จะนําพาใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้ดังนั้น จึงเป็นธรรมเลียมของคนบางคนเวลานั่งสมาธิก่อนจะนั่งนี่เขาจะฟังธรรมก่อนก็นั่งอยู่ในท่าเดียวกัน น, ะนั่งนั่งอยู่ในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็ฟังธรรมไปพอฟังไปแล้วจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบอยากจะหยุดฟังก็ปิดแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเรื่องบริกรรมพุทโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้ คำถามต่อไปจากท่านเดิมค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเกิดความรู้สึกชื่นชมชอบในวัตถุมงคลรู้สึกว่าจะเป็นปัญหากับการทำงานการปฏิบัติเหมือนทำให้ใจเสื่อมจากการงานที่ทำกว่าจะรู้ว่าเกิดความอยากนี่เราเพลินกับอารมณ์นี้อยู่นานมีวิธีและ สมัยเนี้ยเขาจะมาอวดการเอามาโชว์กันเราเองเพราะสมัยเนี้ยก็มีการสร้างพระกันมากไปที่ไหนก็สร้างเราก็ตั้งใจว่าจะร่วมตามความเหมาะสมจริงๆเช่นรูปพ่อแม่ครูอาจารย์หรือสิ่งที่เราเห็นเป็นประโยชน์กราบพระอาจารย์เมตตาคิดในทางที่ถูกไหมครับมีอุบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราต้องรู้ว่าวัตถุมงคล น, นี้เป็นอะไร วัตถุมงคลนี้ความจริงก็เป็นวัตถุดีๆนี่ทำมาจากโลหะหรือทำมาจากดินบ้นขึ้นมาให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปสมมุติกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถดนบันดาลอะไรที่เราอยากได้อยากจะได้รับการคุ้มครองก็จะได้รับการคุ้มครอง อยากจะได้รับความเจริญในด้านลาบยศสารเสริญก็จะได้ซึ่งมันเป็นการสมมติขึ้นมาไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะคนที่มีวัตถุบงคลที่เจ๊งก็มีที่ตายก็มีคนที่มีวัตถุบงคลที่รวยก็มีที่เจริญก็มีดังนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้เราเจริญหรือเราเสือ่อมเราต้องรู้อย่างนี้ก่อน แล้วถึงค่อยเข้าถึงแล้วเป้าหมายของวัตถุมงคลที่แท้จริงนี้คืออะไรคือเป็นการให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเหมือนกับพระเจดีย์ที่เรากราบไหว้เพื่อเราจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้เกิดปัญญาเกิดศรัทธาที่เราจะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่คือหน้าที่ของวัตถุมงคลซึ่งในสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าไม่ส่งส่งเสริมส่งห้ามมีพระเภสุรูปหนึ่งได้ทำพระพุทธรูปของพระองค์แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่านี่ไม่ใช่เราถ้าเธออยากจะเห็นเรารู้จักเราเธอต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเธอปฏิบัต จนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อเธอเห็นธรรมแล้วเธอจะเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหลคือผู้เห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมเพราะตะถาคตกับธรรมนี้เป็นองค์เดียวกันดังนั้นเราถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดกับวัตถุมงคลเพราะมีหรือไม่มีก็มีผลเท่ากัน ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลแต่อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าจะมีประโยชน์บ้างก็มีตรงที่ว่าทําให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เวลาเราเห็นพระพุทธรูปอ่าแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นค่ะ อ่คำถามต่อไปค่ะจากคุณพิทิศักดิ์คุณนาแก้วผมนั่งสมาธิจนลมหายใจหายไปแต่ก็หายไปได้ไม่นานก็รู้ลมหายใจต่ออีกทั้งที่รับรู้ลมที่หายไปแต่ก็รับรู้ได้สั้นสักพักลมหายใจก็ปรากฏขึ้นมาอีกอีกนานแค่ไหนครับที่ลมหายใจมันจะหายไปอย่างต่อเนื่อง น, น, นาน โดยไม่ปรากฏลมหายใจขึ้นมาอีกจนกว่าจะออกจากสมาธิผมนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงภาวะลมหายใจหายไปกับลมหายใจกลับมาสลับไปสลับมาตลอดครับก็ควรจะนั่งไปด้วยการมีสติรู้เฉยๆอย่าไปอยากให้ลมหายใจหายถ้าเกิดความอยากแล้วเวลาลมหายใจหายไป อยากจะให้หายนานๆมันก็จะหวนกับจิตก็จะหยาบกับเคลึ่นขึ้นมาเพราะจิตหยาบก็จะมารับรู้ลมหายใจใหม่ทางที่ดีก็คือเวลานั่งไปก็ให้มีสติรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าลมตอนนี้สั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดยังมีอยู่หรือหายไปหายไปก็ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆอย่าไปอยากให้หายไปนานๆ รู้ไปเฉยๆแล้วจิตมันจะสงบเข้าไปเลือกเข้าไปได้แต่ถ้ามีความอยากแล้วมันจะดึงจิตให้กลับมาสู่ความอยากขึ้นทําให้จิตอยากขึ้นพอจิตอยากขึ้นก็จะกลับมารับรู้ลมลมหายใจใหม่มันก็จะเข้าๆออกๆอย่างนี้ไปเั้นวิธีที่ถูกต้องก็ขอให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆดูลมไปลมจะหยาบลมจะละเอียดจะสั้นจะยาว จะหายไปหรือไม่หายไปก็ให้รู้เฉยๆเท่านั้นอย่ามีความอยากเกี่ยวข้องกับลมแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตจะโมลงไปในที่สุดได้นนนะคำถามหมดแล้ววันนี้มีท่านผู้ใดที่ อ, นนอยู่บนศาลานี้อยากจะถามคำถามอะไรอีกไหมอย่ามาถามตอนที่ปิดไม้แล้วนะ ถ้าเปิดไม้แล้วก็จบน ะ, ะไม่มีนับหนึ่งนับถอยหลังน ะ, ะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิน